ใช้ดีไหมหมายถึงอะไรหมายถึงคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าไหมคุณไม่เอามาคุณด่าเขาหรอคุณก็ไม่อยู่ตามอันงั้นคุณอย่าด่าเขานะคะอย่าไปพูดไม่ดีกับคนอื่นขอให้มีพระก็มีให้ถูกแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดอัตคัดขาดส่วนมากชีวิตนี้หาไม่ได้เลยแม้แต่กระทั่งเหรียญพระเล็กๆไม่ต้องเป็นวัตถุมีค่าด้วยทำไงดีคะท่านอาจก็เอาแก้วน้าเนี่ยไป